หมายเโทรศัพท์ของทางรายการเช่นเคยครับ022413315 022413315ก อ, อยัดปัญหาแรกก่อนนะครับมีท่านผู้รับฟังนะครับฝากปัญหามาสอบถามว่าคู่แห่งบุรุษ4คู่ และบุคคลหรือบุรุษแปดคือใครขอาการพัฒนาพระเทศคุณช่วยอธิบายหน่อยครับคุณพ อ, น, อ น, นี้ก็เป็นเป็นสังฆคุณนะนะคือคือพระสงฆ์นี่ทจริงเราแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่พระสงฆ์ที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลเราเรียกว่าสมมติสงฆ์ครับทุกรูปแหละมันก็เริ่มจะส ม, มุติสงฆ์มาก่อนอ่ะ ทีนี้พอบรรลุมรคผลขึ้นไปตั้งแต่ประโสดาปฏิมกขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกอริยสง์อริยสงศ์เพราะคำว่าพระสงฆ์ในความหมายของคำมาคุณคำมาสังค์สัง โ, โคก่อนสังโคแปลว่าหมู่ หมายความว่าหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่เป็นปะหูโพธิ์อ่ะคือจากสองขึ้นแปดใช่ไหม ส, สังสันโคโดยทั่วไปก็หมายถึงฝูงนกฝูงโคอะไรแต่อะไรก็ได้แต่ในที่นี้ใช่ไหมฮะเฉพาะในสังคุณนั้นหมายถึงพระอริยสงฆ์ท่านอริยสงฆ์งงทีนี้พระอริยสงฆ์นี่มันก็เรียกสองอย่างเรียกในรายละเอียดเรียกโดยมรรคโดยผลก็กลายเป็นแปด ใชมะโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสักกาะคามักสักกตะคาม่ผลนนากับมีมักนรากาม่ผลอนราธาหักนราธาผลแต่ว่ามักกับผลนี่มันขณะจิตเดียวออืทักเดียวครับนะคือคือว่านับไม่ทนะันอ่ะครับเพราะงั้นจริงๆก็คือสี่เพราะงั้นจัตาริบริสนะุการินะอัตตะบริสุการ์คู่แห่งบุรุษสี คงคือโสดาปฏิมร์โสดาปฏิผลเป็นหนึ่งคู่จะไหมสกิตรการมร์สักิตรกายผลเป็นหนึ่งคู่อนาคามร์อนาคายผลเป็นหนึ่งคู่อนาตมร์อนาตผลเป็นหนึ่งคู่ก็รวมแล้วก็เป็นสี่คู่แต่จริงๆก็คือถ้าย่อยออกไปก็เป็นแปดเป็นแปดเป็นอะไรอยดก็เป็นแปดก็หมายถึงพระสงฆ์ในความหมายของสังฆคุณทีนี้ท่านท่าก็วตดต่อไปว่าพระโสดาบันเนี่ยคือคือสุปฏิปโนครับจะไหมพระสักการมีคืออุชุปติน ปนโนพระนาคามีคือยายาปฏิปันโนพระอรหันต์คือสามีจิตปฏิปันโน oh. นั้นในความหมายของสังฆคุณสี่ข้อแรกที่สมบูรณ์น่ะหมายถึงความหมายที่สมบูรณ์ครับใช่ไหมฮทีนี้พระอื่นทั่วไปนอกจากนั้นเขาเรียกว่าสมมติส่ง oh. ยาดามานนี่ยังเป็นสมมติสง่์นะฮะมันเป็นสมมติส่งเพราะฉะนั้นขั้นตอนการบวชของเราเนี่ยท่านท่านก็นิยามว่า ที่ได้ชื่อว่าเป็นภิกษุเพราะเป็นผู้ที่สงพร้พรอมเพียงยกพร้อมเพียงการยกขึ้นเป็นภิกษุโดยชอบโดยยัตติจจตุตกรรมอุปสำปทาอันไม่กำเริบได้ชื่อภิกษุมันผ่านขั้นตอนสมมติคล้าย ๆ, ๆอาจารย์ผ่านขั้นตอนของการเข้าสังกัด ก็ที่จริงสมมติอ่ะครับผมขอบคุณมากครับอยู่ในบทสวดที่เราสวดกันจชใช่ใช่แต่หมายถึงพระสังกัลตนะในตำไมยของสังกัคุณออครับผมเป็นประโยชน์มากครับขอญาตสายแรกครับสวัสดีครับรายการครับสวัสดีครับสอบถามครับท่านผู้ชมดยครับขอถามต้นทาสองข้อครับครับเชอรีครับครับอามว่าข้อที่ทุก ศาสนาชื่อลัทธิลูกตากับแล้วก็ข้อสอนศาาที่สอนเรื่องทุกข์กามีการดับทุกข์อะไรแงนี้ศาสนาลูกตาก็จบครับขอบพระคุณมากนะครับแล้วฟังแต่พิยุนะครับข้าพดีครับผมคือทุกข์ครับที่คุณพูดคือว่าทุกข์เนี่ยมันมีอยู่มันเป็นมันมีก่อนศาสนาเกิดคือมันเป็นเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกเนี้ยเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงคนพบ อริยสัจเดี่ยวพระเจ้าทรงค้นพบเราเรียกว่าสัจสรู้เป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นภายในพระไทยัยนะฮะพระผู้เจ้าไม่ได้สร้างทุกข์ขึ้นนะฮะแต่ทุกข์มันมีอยู่ก่อนอแต่เราจะเห็นว่าตัวกระตุ้นในพระเจ้าเสด็จออกพรหนูก็คือตัวทุกข์ครับตัวตัวสภาวะทุกข์ที่ที่ ท, ที่เป็นคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะเพราะฉะนั้นคนเจ็บในที่จริงเป็นปรกินกับทุกข์คนเกิดแก่ตายเนี่เป็นสภาวะทุกข์ เพราะงั้ถ า, ถามว่ามีทุกศาสนาไหมคือต่างศาสนาต่างกำหนดผลสูงสุดที่แตกต่างกันเช่นว่าศาสนาเทวานิยมเขาถือว่าการอยู่เข้ารวมกับสิ่งสูงสุดหรือร่วมกับสิ่งสูงสุดเนี่ยคือบรมสุขของเขาแล้วครับเพราะงั้นแต่เขาจะเรียกยังไงเราก็ต้องยอมรับเขาอะ่ะอืวันนั้นก็คือคือคือจุดสูงสุดของเขาครับแต่ของเรานั้นถือว่าตรงนี้มันยังมีความทุกอยู่ โดยเฉพาะยิ่งคือสังสาระทุกเพราะนั้นก็ไปเน้นเอาที่การบรรลุมรรคผลนิพพานที่เป็นพระหานจึงดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงจริงๆก็เป็นเรื่องของความพอใจนะฮะคือเราไปไปเสียใครไม่ได้ไม่ได้ไม่เยเขาไม่ได้หรอกแต่ทุกข์มันมีอยู่ทุกทุกทุกศาสนานั่นแหละแล้วก็สอนกันกันกันทุกศาสนาโดยเฉพาะยิ่งคือทุกขเวทนาครับแต่ว่าการเข้าถึงสารัธรรจริงๆเนี่ย มันมีแด่แสดงเฉพาะพระพุทธศาสนาออืเพราะว่าที่อื่นมันมาจากการสร้างครับแต่ว่าแต่พระเจ้าแสดงถึงสภาวะของเหตุปัจจัยกระบวนการเหตุปจัปจจัยวิชาเป็นปัจจิยเกิดสังขารสังขรรารปัจจัยเกิดรุญญาเนี่ยน ะ, ค, ะครับไอ้แสดงอย่างนี้มีเฉพาะพระพุทธศาสนาครับแต่ว่าอคนก็เกิดมาแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายด้วยกันเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าทุกข์เขาเรียกว่าอะไรเราไม่รู้อะการตอบคุณเจ้าชายครับสายที่สองครับสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับอกราถามคาถามนะครับผมฮัลโหลครับ <Hello? S 2> ข้อที่หนึ่งเลยครับตรบงพิจารณากายที่เป็นภายนอกและภายในพิจารณาภายนอกไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรขอโทษนะครับถามใหม่นะครับครับผมตรงพิจารณากายในกายที่เป็นภายนอกและพิจารณากายที่เป็นภายใน อยากทราบว่ากายภายนอกคืออย่างไรและกายภายในเป็นอย่างไรให้พิจารณาอย่างไรครับผมกายมีกี่อย่างครับครับผมหายใจเป็นกายหรือเปล่าแล้วก็กายละเอียดและกายยากเป็นอย่างไรครับผมคถามเราเลยนะครับเราตอบคือฝ่ายืนนะครับกับผมคือถามกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในรายละเอียดก็เกิด ะเอียดมากผมก็ต้องพูดนานนะนะคือก็อย่างนี้ก็แล้วกันว่ากายกายตอนแรกนั่นคือกายภายในก็คือกายเราแต่กายภายนอกก็คือกายคนอื่นทีนี้กายในกายนี่ลมหายใจมันก็เป็นกายลมหายใจที่ปรากฏในขนาดนั้นนะก็เป็นกายเป็นกายภายในคือคือที่ปรากฏในขนาดแล้วก็ลมหายใจที่มันดับไปแล้วกับกับที่ยังไม่เกิดก็เป็นลมหายเป็นเป็นกายภายนอกครับ เพราะฉั้นอย่างอื่นก็เหมือนกันอย่เงี้ยฮะหมายความหยาบๆยาบก็คือกายเรากับกายคนอื่นดูตรงนี้ได้ก่อน mm hmm. ก็มองในแง่ของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนจริงๆนะเราตั้งก็ดูการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปการเกิดการดับแล้วก็ดูเฉพาะการดับก็ดูไปเรื่อยแล้วก็เหมือนกันนะ ก็สรุปรวมว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนิตานะก็ถ่ายถอนตัณหามาหนะ้าทิฏฐิออกไป เ, ออเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันจะเห็นแต่ถ้าอาศัยเพียงปริยัติมันก็พูดยากหน่อยนะแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติไปแล้วก็จะสัมผัสใน จ, จิตของเราเองจะ จะไปเรียนง่ายอย่างนี้อ่ะฮะเอากายเรากับกายคนอื่นด้วยก่อนเราก็เป็นกายภายในกายคนอื่นเราเป็นกายภายนอกแล้วก็ในกายของเรามันก็ซ้อนกันอยู่อ่ะปัจจุบันคือมันขนะอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะนั้นกายที่ปรากฏในปัจจุบันเนี่ยกายละเอียดก็ก็ก็ก็อย่างเนี้ยเช่นเสียงก็เป็นกายอย่างหนึ่งครับกริ่งก็เป็นกายอย่างหนึ่งรถก็เป็นกายอย่างหนึ่งนะสัมผับก็เป็นกายอย่างหนึ่งแล้วก็ละเอียดไปได้เรื่อยๆนะจนถึงเป็นอนูเป็นปรมาณูหายไปเลยครับ มันก็ยาวนะขอบคุณยืนยัน่ากับสายที่สามครับสวัสดีครับน้ำประสาทการและสวัสดีครับขอถามสามข้อนะคะครับผมข้อแรกผู้บรรลุอรหันต์นี่กระดูกต้องเป็นพระธาตุทุกคนหรือเปล่าครับครับผมแล้วข้อสองพรธาตุจริงกับพระธาตุปลอมมันต่างกันยังไงครับผมแล้วก็ข้อสานะครับอนิพพานเนี่ยมันเป็นนามธาตุอย่างไรอลักษณะออกมาไหะครับผมแล้วก็ะเจ้ายืนนะครับผมพระอรหันต์นี่กระดูกต้องเป็น เออคือพระอาหารหันต์ท่านก็เป็นอย่างนั้นนี่ะนะฮะแมันก็มีความยิ่งมีความโยนตแตกต่างกันแต่ทีนี้พระธาตุจริงพระธาตุปลอมนะเราก็อย่าไปเดียพูดอย่างนั้นเลยมันมันมันเป็นอกุศลครับ ค, คือคือหมายความมาถ้าไม่จริงก็คืออุเทสิกะเจดีออถ้าไม่จริงเราน้อมถึงพระพุทธเจ้าน้อมถึงพระอาหารหันต์มันไม่ได้เสียหายอะไรนี่ครับเพราะสิ่งเหล่านี้จริงๆมันมันมันก็เป็นเป็น เ, นเรื่องสมมติขึ้นอีกชั้นหนึ่งไง ก็พถ้าตคนที่เขาไม่นับถือพูดเขาก็ไม่รู้สึกอายครับแต่เราเนี่ยเมื่อเมื่อเขาบอกว่าเป็นธาตุเราก็นึกในแง่ทั้งสองอย่างคือเป็นพระธาตุแท้จริงกับเป็นพระธาตุที่เป็นอุเทสิกะเจดีย์เนเจดีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่พระธาตุหรอกครับแต่เราก็ไหวในฐานะเป็นพระธาตุเพราะบรรจุพระธาตุ และอาจจะไม่มีพระธาตุแต่เราก็ใจเราน้อมถึงพระพุทธเจ้ามันก็เป็นเป็นเป็นอนุสติสมาบ่าวครับผมโดยการไปวิพากวิจารณ์อย่างนั้นมันเป็นบาปปากแล้วก็บาปใจนะฮะคือไปวินิจฉัยจริงไม่จริงปลอมไม่ปลอมแล้วก็ได้ด่าทอกนะันเราเห็นว่ามโนก็ทุจริตวจีก็ทุจริตแล้วทำทำอะไรอ๋อใช่ครับไปวิพาวิจารณ์ทำอะไรครับมันไม่ได้อะไรขึ้นมามคือจิตมันเกิดปฏิฆะ เกิดดูถูกรูหมิ่นการแล้วเราก็ไม่รู้จริงนะฮะครับผลท้ายว่าไม่มีใครรู้จริงอ่ะครับเราก็คิดง่ายๆว่าถ้าไม่ใช่ก็คืออุเทสิกะเจดีถ้าใช่ก็คือธาตุเจดีจบโอ้ชัดเจนะครับโดยดัชนีสตีนคู่กัชนีสตีนคู่ใช่ไหมสำคัญมากนะครับอะไรนะวันนีคําถามก็ทีสามจุดไม่สนเลยนะครับครับผมโทรเข้ามาใหม่ครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งข้างหน้านะครับขอแยกสองคำถามพอหน่อยนะครับวันี้อ๋อหลายหลายสายรอมาอยู่แน่นมากเลยนะครับผม ครับผมสายที่สี่ครับผมรัฐมนตรีการครับเ จ, าจาเ้าจะเรียมสอบถามเรื่องของอพักทิศเนตพักทิศเนตครับ แ, รแต่เราเราลบคนหลีไ่ไว้ยุธทางบ้านก่อนนะครับแต่ราถือพ่จจาเจ้าอยู่แล้วเป็ น, เ ป, นเป็นสูงสุดเลยนะถ้าเราก้าวข้าเทพเหล่านี้คือเป็นความผิดครับผมเป็นบาปในกากุศลไหม <c oughs> แล้วก็ถามอีกข้ออีกข้อที่สองครับผม ก็กองของกระดูจะดูคามรามาเทพที่กาลังมีชื่อเสียงตอนนี้มีศาสนาอะไรครับผมเทวดาหรือป่าเป็นเทพรื่องไหนครับผมแล้วฟังทวินะครับขอ<แ>บคุณมากครับสองคำถามแรกครับคำถามแรกคือว<ไ>่าคือคือเราต้องอย่าลืมว่าในศาสนาพุทธเราไม่ปฏรริเสธเทวดานะฮะครับแล้วก็ทรงแสดงเทวตานุสติทรงแสดงเทวตาภลีไว้ในปรีกรรมก็มีเทวตาภรีในอนุสติก็มีเทวตานุสติเราไม่ได้ปฏิเสธ แล้วเราก็ไม่ใช่นับถือเขาในระดับเดียวกวับพุทธเจ้าระดับเดียวกวับพระพุทธศาสนาใดมันก็เหมือนกันนับถือญาติผู้ใหญ่หนับถือคนรุ่นพ่อนี่ไม่ใช่นับถือเท่ากับพอ่อครับอ๋แต่เป็นคนรุ่นพอ่อกนรุ่นพอ่อ <c oughs> <c oughs> นะหรือว่าอันนี้คนรุ่นน้องของพอ่ออะไรต่ออะไรเมื่อก็นับถือลดดั่นกันลงไปมันใจมันอ่อนโยนครับนทะําให้ใจเราอ่อนโยนคือคือคือการได้ไปคัดค้านไปโจมตีเขาตีใจเราก็ได้ครับัไม่เสียหายอะไรหรอกครับอย่างนะ <c oughs> ้อยก็คนนี้ก็ มีขวัญไม่กังใจครับอาจารย์ตุคามรามเทพนั้นก็เป็นตํานานก็เป็นเป็นเทวดาที่รักษาพระบรมธาตุนะเทวดาที่รักษาบรมธาตุแต่ตำนานเดิมท่านก็เป็นขุนศึกครับเป็นขุนศึกที่มีคุณอุปการต่อแผ่นดินทิกที่เขาเล่ากันนะฮะตำราตํานานความเป็นมาก็ที่จริงอามาก็อยู่อยู่ที่นครปณาน่มายังไม่รู้เลยเพิ่งเป็นเพิ่งไปดูวันหลังนี่นะครับ มันก่อนไปก็ถามเขาบอกองค์ไหนเรียกเจ้าทุกามรามเทพเี่ยอ๋อเราก็เห็นอยู่ที่เชิงบันไดยอยู่หัวบันไดนะฮะต่างขึ้นรวมมรานก็เป็นเทวตาเทวตาพีหรือว่เทนเทวตานุสติมันเป็นการนับถือในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรมันไม่ใช่นับถือแบบพ่อแม่หรอกไม่ได้นับถือแบบพระ ร, ราชณาจารยหรอกและอย่างหนึ่งมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งออื เป็นเป็นเขาเรียกกับยุคสมัยอะ่ะเป็นเป็นปฏิมากรรมในในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งแล้วก็ทำให้เราเห็นร่องรอยของประวัติศาสตร์ความคิดของมนุษย์ในแต่ละยุกนะครับมันก็ไม่ได้เสียหายได้หรอกคืเอามาว่าเรื่องบางเรื่องนี่มันมันที่ยังเคยยกไปรอย่างนะว่าเด็กเล่นตุ๊กตานะ่ะ สังคมยังต้องมีเด็กเราก็ต้องมีตุ๊กตาบ้านก็มีคนแก่มีคนป่วยมีเด็กก็ต้องมีราวบันไดสังคมเป็นอย่างนั้นแหละเราจะไปขีดเส้นสังคมนะฮะสังคมไม่ขีดเส้นไม่ได้หรอกครับสังคมก็คือสังคมคนก็คือคนอ่ะพูทธิภาวะก็คือพุทธิภาวะขณะอย่างยิ่งย้อนกันเสมอไปตลอดไปที่คุาเจ้าอันนี้เป็น ถือว่าเป็นคุณลักษณะที่เด่นของศาสนาพุทธปรจกุบที่เราสามารถที่จะยังไงครับไม่มีการบังคับไม่มีการอะไรเราเป็นศาสนาที่ยอมรับความจริงทุกระดั บ, ค ร, บครับผมเพรา ะ, ะนั้นคําสอนในศาสนาพุทธบางคือหนึ่งผลตรงจากการศัตรูรอสองเป็นการปฏิรูปครับในสิ่งที่มีอยู่ก่อนแต่ว่าเสริมเติมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค ร, ครสามก็คือรับหลักการดั้งเดิมของเขาสี่ ก, ก็คือปฏิบัติเลย นะเพราะฉะนั้นปฏิวัติมันจะมีไม่มากหรอกครับปฏิวัติจะมีไป ม, มากแต่ว่าจะมีการปฏิรูปรับรองหลักการแล้วก็ผลตรงจากแตสรู้ส่วนใหญ่มันก็อยู่ระดับสูง ร, ระดับเลยเนวสัญญานะ่ยสัญญาจะแตด้าไปนะเพราะว่าระดับอารูปปิชาเนี่ยมันมีอยู่ก่อนครับอันนี้คือเราเราต้องยอมรับความจริงนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าถ้า ว่าไม่มีครูไม่มีาศสาสตาไม่มีผู้สอนเนี่ยไม่มีครูอาจารย์เนี่ยหมายความมาตั้งแต่เลยในวสัญญาณกั ญ, ญายายกัณนะไปจนสัตว์รู้เนี่ยไม่มีครูอาจารย์ออไม่ใช่ว่าปฏิเสธตั้งแต่ต้น<ะ>เพราะว่าข้างล่างเนี่ยพระองค์ก็เรียนมาจากคนอื่นครับจนมาถึงอรูปฌานไม่ใช่เราพูดครูไปหมดนะพูดครูไปหมดก็ไม่ได้เลยมัน<ะ>ไปเสียธรรมะข้ออื่นรบด หลวิพ่เจาก็เรียนมาจากอาลาดาบทกาลามังคอดุตฎกะดาบทรามบุกก็ได้สมาบัตแปดครับเพราะงั้นไอ้การศัสรูดิช่วงที่ศัตรูไม่มีครูสอนอไม่มีไม่มีศาสตว์ดาไม่มีครูบาอาจารย์ครับเขีนครับผมโซสองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้าครับสายที่ห้าครับ ส, สวัสดีครั บ, บครสวัสดีครับปราศรัยพิธีการท่านเจ้าคุณนะแล้วก็สวัสดีอาจารย์ด้วยครับสวัสดีครับที่วันนี้ไปเห็นท่นานเจ้าคุณท่านไปเปิดเกี่ยวกับการอบรมพระประจับวิทุรายการวิทยุนะฮะ ก, ก็ผมก็ชื่นชมครับเพราะว่ารู้สึกว่าท่าน จ, จะจะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากนะฮะแต่ว่าผมเกิดอย่างนี้ครับไปเมื่อสองสามวันนี้เองนะสี่หวันที่องสาวันไปที่วัดสังขทานนะฮะก็เปิดรายการวิทยุเหมือนกันครับแต่เป็นเดือนนี่เป็นรายการวิทยุท้องถิ่นนะฮะชาวบ้านที่ไห่วิทยุชุมชน นะฮะครบสักสมีทําการผมว่าไม่เกินสิบ้ากิโลเพราะบ้านผมไม่อยู่ไม่ไม่ไม่ถึงสิบห้ากิโลเขฟังไม่ได้ครับท่านเปิดประชานไทยอยู่แล้วท่านเปิดประชานเกินเองครับทีนี้ผมอยากจะเรียนถามว่าได้ประโยชน์อะไรนะะและอีกประการหนึ่งเนี่ยวิทยุชุมชนเนี่ยโดยเฉพาะบ้าสงฆ์เนี่ยนะฮะคัท่านจะคุ้มควบคุมด้วยหรือเปล่าครับดูแลด้วยหรือเปล่านะฮะครับแล้วก็จุดประสงค์เพื่ออะไรเปิดประชานเก่งเพราะทักสมีมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับผมครับอันนี้ขอขอขอกราบแล้วการเรียนถามครับขอบคุณมากเลยนะครับ อ ใ, ในกนรณี น, น, นี้วั ด, ว, ดวัดสังกฐานว่าสังกทานีนจุญราชปัญญาเมธทีก็เล่าให้ฟังวันนี้ครับท่านเปิดข้าอินเทอร์เน็ตนะยโย<อ>มกระจายไปทั่วโลกครับก็ต้องการจะท่านบอกว่ า, าคนโง่จะสอนคนฉลาดได้ดูนะเพราะท่านมีพระพลังอยู่อคครรัับบเจตนาจริงๆต้องการจะพูดกับคนต่างประเทศ แล้วก็ต่อไปเขาอาจจะเปิดเปิดภาษาลาวภาษาเขมรภาษาเวียดนามอะไรต่อะไรเนี่ยนะฮะแต่ว่าจริงๆมันไปทางอินเทอร์เน็ตนะคุณครับไปทางอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ทุกอาจารย์มีบทบาทอย่างนี้ยังไงบ้งครับแต่เรื่องการเมืองบทนี้ครับท่านครับเราให้คื อ, อคืออาตมาไปอาต ม, มาได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานมาสามสี่ปีแล้วแล้วก็รับข้อตอนนั้นรับในฐานะชั่วคราวออ ต้องการจะอยู่สนับสนุนเพราะว่าเราคงไปสั่งการอะไรไม่ได้หรอกครับคื อ, ค, อคือนักเผยแผ่มิเจ้ายุติจักอ่ะนะจริจริงก็พูดก็ยากเพราะฉนั้นก็ <c oughs> วันนี้ก็คือที่จริงก็ไปไปไปถอนตัวเองออกมา<อ>แล้วก็ในฐานะเป็นประธานก็ประถมนิเทศให้แล้วก็ถอนตัวมาแล้วก็บอกว่าถ้าจะให้เป็นอะไรก็เป็นที่ปรึกษาอะไรได้อุปถัมภ์ได้แต่ว่า จะไม่ขอเปลี่ยนประธานหรอกเพราะว่าอายุมันก็มากแล้วก็อยากให้คนหนุ่มๆก็เป็นกันนะเราก็มาสนับสนุนเขาทีหลังครับแต่วันนี้ก็ไปถอนตัว อ, อ, อยากคือคอมายังมีความรู้สึกว่าวงการเนี่ยถ้าหากว่าคณะสง์ซึ่งเป็นผู้บริหารไม่มีส่วนเข้ามาช่วยเนี่ยนะเราจะแก้ไขได้ยาก เรกอย่างหนึ่งที่มีปัญหาที่คนโจมตีกันมากก็คือเรื่องการได้รายซึ่งเราก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงเพราะถ้าหากว่าท่านไม่ได้ไรายท่านก็ทำไม่ได้ไม่มีไม่มีค่าเช่าไม่มีค่าเช่าเวลานี่คือคือ ป, ปัญหามันจะเยอะมากครับ แล้วเราก็ไปรับหน้าเสืออย่างนั้นเราก็ทุกไม่ไหวอะครับก็เรื่องเรื่องศูนย์สงเสริมก็อาการหนักแล้วศูนย์พิทักษ์อีกจะมานี่อีกหลายเรื่องเกินไปก็ไม่อยากจะรับอะไรมากครับผมครับขอบคุณกคนจ่ายกับสายที่หกครับสวัสดีครับอาจารสวัสดีครับขอกราบสวาสดีการท่านเป็นคนเลยครับขอถามปัญหาตั้งสามข้อแล้วครับครับผมก็ขอเชิญครับข้อข้อที่หนึ่งครับเชิญเลยครับข้อที่หนึ่งเลยครับที่ คือเกี่ยวกับการให้สินของพระนะครับือคือมันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าตีการละเขามานะอนวิธีต่างตรงนี้ยมันมันจําเป็นจะต้องให้ไหมหรือว่าจําเป็นต้องรับไหมเพราะว่าถ้า ท, ที่ผ่านมาที่เห็นเนี่ยบางองค์ท่านก็ให้บางองค์งงท่านก็ไม่ให้แล้วพอไปถามท่านท่านก็บอกว่ามันไม่จําเป็นแต่ไปถามอีกองค์ว่าจําเป็นว่าสินแปดเอาสินห้าต่างอะไรเงี้ย ค, คือคือมัน มันคาใจนะครับเพราะว่าได้ครับอารมชาผู้ใหญ่เขาต้องเห็นด้วยว่าเพราะวเขาได้ครับผมก็ก็มันเลยมันก็คาใจทั้งหมงนี้ครับครับข้อสองว่าไงครับผมข้อสองเกี่ยวกับการถวกยสารทานเนี่ยครับผมมีคือเห็นกรรมกรรมพระครัต่างถวายนะครับผมคือถึงเวลาถวายสารทานเนี่ยเขาก็นิมนต์พระไปหลายหลรูปครับแลวองค์ที่ที่รับสารทานไปก็คือท่านเจ้าอาวาสเนี่ยจริงๆแล้วสารทานเนี่เป็นของส่วนรวมใช่ครับ นี่ก็ไม่เห็นท่านดุแด่งท่านอะไรเลยแล้วก็แต่้อที่ถามคือเวลาพระได้ฉันพระทหารที่ยาดเมืองถวายแล้วเนี่ยคือพอฉันเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นพระท่านบอกอนุญาตให้ยอดโยมไดเอาไปเลี้ยงไปดูกันอย่างเงี้ยแล้วยอดโยอเอามารับประทานเนี่ยมันจะเป็นโทุกขอย่างไรครับขอถามแค่สามข้อแล้วก็กลับไปแล้วข้อก๊ง คือ ค, คื อ, คคอติสนะกำมานังเดืสนะกมานังนิกิตังเนี่ยแปลว่าการถึงประจัยสนาคมในจบแล้วครเดือสนาคมทั้งสามประการในจบแล้วคือจะบอกหรือไม่บอกมันก็ไม่แปลกอะไรทีนี้ในที่ที่เขาบอกเด่นคือเ้าแน่ใจว่าโยมรับอามะปันเตได้โยมรู้แต่ว่าที่เขาไม่กล้าบอกเนี่ยเพราะว่าโยมโยมรับเป็นครับเขาก็ไม่กล้าบอกแต่มันมันก็เวลาเนี้ยมันมันบางท้องถิ่นเนี่ยเรา เราไปว่าไม่ได้คือโยอมยมอามาพันเตไม่ได้ครับก็แปลว่าครับนั่นเองไงที่จริงอ่ะคือยอมรับทราบว่ามันจบแล้วส้องพูดว่าอามาพันเตน ะ, ะ, ะครับแล้วก็ที่สองคือสังคทานที่ท่านถามเนี่ยคือแสดงว่าของไม่พอแจกเพราะนั้นก็เก็บไว้ก่อนเราคือเราไม่ได้ดูตอนที่ท่านแจกอ่ะครับเพื่อของอาจจะไม่พอท่านอาจจะเก็บไว้ก่อนแล้วก็เมื่อพอก็จะการแจกเขาไม่เก็บไว้กองเอาไว้แล้วเออพวก ผูสังกฐานในส่วนมากมันกระจายออกไปแต่ปัญหาว่าเปืนออกมาแล้วแจกได้หรือเปล่าแต่นั่นเองส่วนประการที่สามคืออะไรขออนุญาตให้ญาติจบเราไปคือชันจบก็คือจบครับผมจบก็คือจบเขาเรียกว่าทําให้เป็นเดนแล้วก็จบไม่ต้องบอกเราบอกไม่บอกก็บอกคือมันมันรู้กันโดยในอ่ะครับไม่ต้องไปอธิบายว่าโยมเอาไปรับประทานการอะไรแต่ะไรเนี่ยมันไม่ต้องบอกขนาดนั้ จริจรครับบางทีเราเป็นเรื่องพิธีกรรมมากเกินไปใช่ไหมครับใชรับใช่ครับใช่ครื่องเครืบใช่ครับใช่ครับใชรับใช่ครับมช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับใ่ครับครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับใรับใช่คั่ครับใช่ครับับใช่คกับใช่ครับใรับใัรับใชรัรับใ่ครั่ครับรับใ่ครั่รับใรับคั่รัช่ครคัครัครับครับครับั่นคือคือเป็นหลักทางพระวินัยเลยครับ รับด้วยการนิ่งครับแม้แต่ยัติกรรมในอุโบสถเนี่ยการตกลงให้คนนี้บวชก็คือนิ่งครับมันเป็นมันเป็นพืออาริยะวินัยวินัยของพระอริยะท่านเป็นอย่างนั้นครับไม่พูดมากก็คุณที่สนใจครับสายที่เจ็ดครับสวัสดีครับขอถามสข้อครับครับเจอกครับข้อหนึ่งเนี่ยขนาดที่เรากําลังคิดเนี่ยเป็นมโนกรรมทุกครั้งหรือเปล่าครับแล้วก็ข้อสอง อันนี้พาณาธาต์อ่ะอ่าเป็นพาณาธาต์อย่างไรแล้วครับผมอือวันนี้เพื่อเกิักมื่อกี้เราลืนตอบพาณใช่ก็คือนิพพานแลธาตุครอ๋ออ่าคือการคิดเนี่ยมันพามว่าคาว่ากรรมเนี่ยมันเป็นเจตนานะฮะการคิดมันเป็นกระบวนการทางจิตบางครั้งไม่ได้จงใจคิดอะไรใจลอยไปเรื่อยๆมันมันมันก็ไม่ได้ถือว่ากรรมเพราะกรรมมันมันต้องจงใจต้อง ต้องต้องจงใจคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เลยจะพูดถึงกุศลนกะุศลอภิยกรรเราไม่เคยพูดหรอกอนะอเดี็วก็ใจพูดต้องคิดดีคิดไม่ดีเพื่อไงว่าคิดดีคิดไม่ ด, ดีเนี่ยมันจะเป็นกุศ ล, ลกรรมอกุศลกรร ม, มแต่บางครั้งก็ใจลอยๆก็ถามว่าเป็นกรรมไหมมันก็มังอยู่ในฟุ้งซ่านอะอยู่ในฟุ้งซ่านอยู่ในอุท ธ, ธ จ, กกจักรกุกจะมันก็เป็นอกุศลเราจะเรียกว่าตามก็ได้แต่ว่าปัญหาเรา จงใจคิดหรือเปล่าคร <c oughs> ับเพราะว่าตัวกรรมต้องเน้นที่จงใจนะครับีย ต, ตนาหรือจงใจหรือตั้งใจ น, <c oughs> นิพพานธาตุครับเจ้าคุณแข็งครับนิพพานธาตุมันก็เป็นนามธาตุเป็นนามธาตุเป็นเป็นสิ่งที่เป็นนามเป็นสิ่งที่จิตสัมผัสนะบอกงั้นไอ้สิ่งที่จิตสัมผัสที่ยิ่งเป็นนามตรงนั้นแหละคเจ้าไหมเจนโนความอร่อยเนี่ยมันเป็นจิตรู้ครับ ไม่จชลิ้นมันรู้นะที่จริงจิตมันรู้ใช่ไหมเพราะฉะ้นพวกพวกพวกนามธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าอะไรก็ตามความรักความช่างความเมตตาความกรุณาเนี่ยเป็นนามธรรมเป็นแบบนับ้นแหละเป็นเป็นเป็นสิ่งที่จิตสัมผัสสัมผัสด้วยจิตเนี่ยเขาก็อยู่กลุ่มของธาตุกองกของนามธรรมแต่แต่ผมอยมีเป็นภาษา<ป>ที่มันมันต้องใช้สมมติเรียกอ่ะมันก็สื่อไม่ได้ครับ เพะฉันธาตุเนี่ยเราจะเห็นว่าพอพอธาตุเราก็ต้องนึกถึงถึงสิ่งที่เป็นรูปแต่เราอย่าลืมมันไม่มีวิญญาณธาตุดีเลยจึงเป็นนามเนี่ยโทสะธาตุพยาบาทธาตุวิ่งสาธาตุอโลภาธาตุอะไรต่างๆเนี่มันก็มีนะะธรรมานี่มันก็ก็เรียกธาตุเหมือนกันครับขอบคุณครับเป็นรายการท่านหนึ่งนะครับคิดจะหมายมาสอบถามว่าทุกเช้าเวลาใส่บาตเนี่ยนะครับมักจะคิดแล้วก็บอกกับ ตัวเองหรือว่ากล่าวแล้วก็กวดน้ําไปว่าขอให้บุญกุศลที่ได้ทําเนี่ยนะฮะตกถึงกับศัตรูนะครับขอให้ศัตรูที่เขาจองล้างจองผลาเราทุกครั้งเนี่ยมีความสุขกับเจริญแล้วก็ต่อท้ายด้วยว่าแล้วขอให้กรรมต่างๆที่ศัตรูเขาทาเนี่ยนะฮะจงส่งผลให้เขาเนี่ยเป็นไปตามข้อกรรมที่เขาได้ทำ อ, อย่างนี้นะว่าถูกต้องหรือไม่ครับหรือว่าภาพประอยคสุดท้ายไม่น่าจะพูดเลยมันมันมันอะไรอ่ะ มันคลาดคกระถูพื้นแล้วโครนสัตว์โครนสัตว์เกือบตอนต้นมัเป็นกุศลเจตนาอุทิศส่วนกุศลนั้นเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าในการที่ไปแช้งซากหัดกระดูกเขานี่ที่จริงก็เกิดเป็นโทสะเป็นโทสะเป็นโทสะเป็นพยาบาทครับความคิดเบียดเบียนไปซึ่งึงที่จริงก็ไม่ควรต่อนะครับทวนอุดกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลก็ก็ดีแล้วดีแล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่ต้องไปแช้งก็หรอกครับผม คือว่ากรรมเนี่มันไม่ใช่อยู่ที่เราแช่งมันอยู่ที่เขาทําออแต่ว่าการที่เราแช่งนี่เราจะประ ส, สบผลกรรมเองคือใจเราจะกระถูกกระแทกด้วยโทสะด้วยพยาบาทด้วยความจองเวรเขาเขาเขาไม่ได้เกี่ยวเขาไม่ได้เกี่ยวก็ไม่ได้เพิ่มอะไรกรรมอะไรพี่เขาวไม่ใช่ว่าเราเองเนี่ยฮะเรา<ช>เอ<ร>งเราประทุษร้ายต่อจิตเราเองอ คือคือคนเราถ้าลองแช่งกันได้มันก็แช่งกันหมดแล้วแช่งกันไม่ได้หรอกคนเราก็เป็นไปตามกรรมของใครกรรมของคุณคนนั้นครับผมขอบคุณที่คุยจานมากครับนับเป็นทางสว่างกัญาติโยมที่ได้จดหมายมานะครับสายที่แปดครับสวัสดีครับครับครับขอกราบเรียนแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับครับผมเมื่อกี้ที่ท่านเจ้คุณได้เทศเจอิญกับพระเจ้าที่เกิดมาแล้วก็อ ไปเรียนกับทุกตาดาบทรอาลาดาบโแล้วก็ได้ชานมาบัดแปดอะไรนะฮะหลังจากนั้นก็เรียนด้วยตัวเองไปจนสาเร็จเนะีคือผมฟังมาหลายที่ลหลายอ า, อาจารย์นะทำไมถึงให้ความสำคัญต่อาบารมีที่พระเจ้าสะสมมาท่านเป็นแสนแสนกลับนี่นะไม่พูดถึงเลยเอาเหมือนกับว่าออทํานสำเร็จได้เหมือนแค่ชาติเดียวจนกระทั่ง พระบางรูกเนี่นะฮะไปร่องไปเรียนจนรอกโตรอกเติมมาเหมือนกับว่ามันง่ายๆที่จะทำให้เป็นพระเจ้าให้ได้อย่างนั้นเป็นการเปียกิดช่วยชีวิตหนึ่งครับเออผมว่าอันนี้เนี่ยคพอเส้นนั้นถึงภารมีของพระเจ้าที่สะสมกันมานานเหลือเกินก่อนที่จะเป็นไม่ใช่เป็นง่ายๆกันนะครับแล้วฟังข่าววิเชียรนะครับเขามคือโยมโยมจะให้พูดยาวเหยียดขนาดนั้นมันมันมันไม่ได้หรอก หรือเขพูดเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าผู้เจ้าเป็นโพ ธ, ธิสัตว์ครับมันรู้กันอยู่แล้วว่าพระโพ ธ, ธิสัตว์จะเป็นอย่างบารมีครับ<ช>นะแต่เขาไม่พูดกันหลอกนั่งอธิบายอย่างนั้นมันก็ว่ากันมันเล่มเล่เมื่อ <c oughs> อันนี้เราตอบปัญหาระยะสั้นๆ ส, ส, สองสามนาที<ช>นาทีสองนาทีเนี่ย <c oughs> เขาพูดการตลอดโยมไปฟังเถอะใครไม่พูดหรอเดี <c oughs> ๋ยมันปัญหาว่าพูดเรื่องอะไรครับ พูดเรื่องชาดกมันก็พูดอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้พูดเรื่องชาติปัจจุบันพูดเรื่องการมาเป็นเพียรภายใต้ต้นโพเลยวิ่งไปที่ประเวศสันนนท์ได้ไงมันมันมันก็พูดเรื่องที่ต้นโพอ่ะต้นโพมันเรื่องเยอะเลยครับผมเขาพูดกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าโยมจะให้พูดรวดเดียวหมดเลยมันไม่ได้หรอกมชาดกเองมาตั้งห้าร้อยหสิบ่อครับขอบคุณครับผมสายที่เก้าครับสวัสดีครับเจริญพรเพื่อนรายการ พราบรรณการหลวงพ่อท่านเจะคุณพระสมบัติอยากให้อยากให้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณได้ดำยายเรื่องชนิดหกให้ฟังโดยละเอียดหน่อยครับผมของกาบนรรการครับกราบบรรณาการครับเอาอย่างละเอียดเลยไม่ได้หรอท่านจะจะดีถูกประเภศเป็นการ์นนะเป็นกันเลยคือสรุปว่าคนรักสวยรักงามนะฮะปีความละเอียดอ่อนอริยาบทอ่อนช้อยกินอาหารรสกลมกรอมอะไรนุ่งผ้าผ่อนอะไรเรียบร้อยอ่ะ รักสวยรักงามพูดงายรักสวยรักงามก็เรียกว่าราคะจริตนะครับท่าทีนี้คนที่ที่กินอาหารหยาบหยาเดินหยาบหยาบพูดกิยาแข็งก้าวอะไรตไรเนี่ยลักษณะโทสะจริตหรือซึมซึมเรื่อยเรื่อยเฉยเมือมือลอยลอยเนี่ยเป็นโมหะจริตหรือว่าเชื่ออะไรง่ายหลงไหลกับอะไรง่ายเนี่ยก็เรียกสัทธาจริตนะเจ้าท่อยหม้อความพิจารณาเอาเหตุเอาผลถกเฉียง นะต้องการความถูกต้องความเป็นจริงก็<ม>เรียกี่จะดีปธิจริตนะตแล้วก็คิดมากพิดไปโน้นไปดีเอานิยายไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาก็เรียกวิวตกเปจริ ต, รตนะพิจารณาไม่ไหวแล้วท่ <c oughs> นมะันนหนังสือเป็นเล่มนะ่านนะเรื่องวิตกเนี่ย เ, เรื่องจริตเนี่ยไปดูรายละเอียดในวิสุทธิมารนะครับเป็นในในวิสุทธิมารเขอธิบายลักษณะเอาไว้ เมีคนก็มีรวบรวมเป็นเล่มก็มีนะครับเผยแพร่ไว้แต่ผมผมฟังเจ้าคุณอาจารย์มาชี้ชัดเจนเลยนะครับเป็นข้อๆแล้วก็มียกตัวอย่างแทนได้การประกอบคุณเจ้าคุณอาจารย์มากครับสายที่สิบครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับผมจะขอกับเรียนท่านเจ้าคุณเกี่ยวกับเรื่องการด่าการศึกพระเรื่องดึงให้พระลาสิขาในกรณีที่พระถูกดำเนินคดีถูกจับนะครับคือผมเห็นเล่าแบบว่าไม่ไม่ค่อยให้เกียรติพระและทําแบบแบบแบบ แบบไม่ไม่ไมค่อยศรัทธานในศาสนาอะไรไม่ไม่ทรได้ ค, คือคือมันอย่างนี้ฮะในกรณีที่พระถูกจับนะครับแล้วอมีความผิดชัดเจนพระท่านยอมถูกยอมยอมยอมถูกจับแล้วรับรปรสาทผ้าเนี่ยตํารวจก็จะจับศึกเพราะว่ามันขังไม่ได้ในผ้าเหลืองใช่ไหมฮะแต่นี้พอจับศึกเนี่ยพระท่านยอมศึกโดยดีก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ในกรณีบางคดีเนี่ยมันไม่ชัดเจน พระท่านถูกจับแล้วก็พระท่านก็ปฏิเสธแต่ว่าตํารวจจะขังลูกเดียวเนี่ยนะตอนนี้พระท่านไม่ยอมไม่ไมยอมสึกตํารวจก็ก็จะมีการบังคับสึกกันนะฮะโดยโดยท่านพาถานาด จ, จะมีเครื้อนผ้าพระสงค์เปื้อนผ้าเหลืองแล้วพระท่านก็ไม่ยอมสึกเนี่อาจจะมันอาจจะไม่ยอมเป่งวาจาสึกหรือว่าเป่งไม่ไม่เต็ม ใ, ใจอะไรเนี่ยนะฮะตอนนี้ในขั้นสอบสวนเนี่ยตํารวจก็ขังได้สี่ถึชั่วโมงพอถึงขั้นศาลเนี่ยไอ้ข้อความหน้าศาลฝากขังเนี่ยพระท่านประกันตัวได้ นี้ผบกันตัวออกมาแล้วท่านหลวงพระเหลืองโดยที่ไม่ต้องบวชใหม่เนี่ยผมว่ามันมันมันก็น่าจะถูกต้องนะเราก็สามารถจะกราบไหว้พระตทำบุญตักบารอะไรได้เนี่ยช่วประกันนะครับแต่วดีก็ไปว่ากันอีกเรื่องไงคอันนี้ผมก็ใจถูป่ากไปด้วยนะขอเรียนถามนะแต่คุณาผมมีพระตอมนะฮะที่มีวิธีการอะไรเขาก็เพิพระเหลืองได้เลยครับคดีคดีเสร็จแล้วมาหลวงพระเหลืองใหม่ก็ผิดกฎหมายยาดายิ่งแบบสงอะไรไป แล้วขอแถนงท้ายนิดนะกรณีพระพิมลทำวัดมาธาตุเนี่ยที่ท่านถูกจับบนสลิดจับเป็นเรื่อคดีแล้วบ <ผม S 1> ครั้งมันยังเด็กๆอยู่นะฮะครับผมเเบื้องบังคับสืเปื้องพราเหลืองแล้วก็ผมลุงข่าวผมขาวในนี้นพกรีตุงที่สุดแล้วเนี่ยท่านไม่ติดรู้สึกจะเป็นค ด, ดีก็อหาคอมมินิสต์อะไรเนี่ยเพราะท่านกลั บ, ลบมาห่มผ้าใหม่พราเหลืองใหม่เนี่ยโดยไม่ต้องบวชใหม่มัน ใช่ใชหรือไม่นะครับเพาก็ทราบจริงจริงแต่ได้ตัวคุณด้วยขอบคุณมากครับคือคือประเด็นในเราไม่รู้รายละเอียดครับครับแต่เมื่อรายละเอียดคือพูดยากแต่ว่าจริงๆถ้าหากว่าพระบวชมันถูกต้องตำรวจไม่มีสิทธิที่จะับสึกนะครั บ, รบถ้าจับสึกเขาฟ้องได้เลยนะแล้วก็เมื่อบังบังคับอย่างนั้นถ้าหากว่าท่านบวชมันถูกต้องนะแล้วท่านไม่ต้องอาบัตนะเอ่อท่านจะข่มจีวรอีกก็มันเกิดมีตัวอย่างอย่างเนี้ย หลวงพ่อปิมมณลธรรมนี่แหละครับ <c oughs> อันนี้ก็คือถือว่าเป็น <c oughs> เป็ น, เ ป, นเป็นต้นแบบมาเลยก็ทำให้ในการต่อมาเนี่ยก็ถือแบบหลวงพ่อทั้งหมดก็เลยก็พอสารตัดสินปั๊บก็แต่งชุดจีบบอลอย่างดีก็คณะสงฆ์ก็สาธุเชียนโตอะไรแต่และแ ต, แต่เนี้ยนะครับผมแต่ว่าเป็นเรื่องเพิ่งเกิดเรื่องก่อนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า มันมันเป็นไปขนาดไหนเพราะการบังคับใช้กฎหมายมันเพิ่งใช้ครับออะไรข้อข้อข้อต่อไปว่าอะไรอ๋เนี่ยคืออ๋อคือคือคือคำคำว่าพระปลอมบวชที่ที่จริงภาษาไทยใช้ไม่ถูกคนปลอมบวชเป็นพระมันไม่ใช่พระปลอมบวชนะพระพระปลอมบวชนี่มันมันก็นึกไม่ออกอ่ะคือคือคนปลอมบวชเป็นพระครับ กนณีก็ตำรวจจับถึกได้นะครับเพราะเขาไม่ใช่พระแต่ว่าในบางใ น, ในกรณีเหล่านี้เราไม่รู้เพราะว่าโทรทัศน์เองที่ออกภาพเนี่ยเขาก็ให้รายละเอียดครับก็เนี้ย ส, สรุปสองกรณีถ้าหากว่าท่านบวชมาถูกต้องตำรวจทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าหากว่า คนที่ปลอมบวชเป็นพระตํามือก็มีสิทธิจะทาได้เพราะว่าพระสงฆ์เลยซ้ำไปไปทําก็ไม่ได้ออืไม่มีอำนาจใช่ไหมฮะเพราะเขาเป็นชาวบ้านจะไม่ใช่พระครับพระสงฆ์มีสิทธิศึกพระแต่นั้นเองศึกชาวบ้านไม่ได้เพาะชาวบ้านก็ไม่ได้บวชไปสึกอะไรับแล้วก็ประการที่สามคือหลวงหลวงพ่อด้วยมโนธรรมก็ถูกต้องนะฮะคือในการต่อมาท่านก็เป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์ นะครับผมราชวงศ์คึกฤทธิ์รัฐบาลหมอราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็คืนทรัพมรณศัก์ให้ครับก็กลับเป็นที่พระพิมลธรรมเหมือนเดิมแล้วก็การต่อมาก็เมื่อสมเด็จพระสังฆราชรู้สึกจะวัดอะไรวัดมะกรูดดินะสิ้นไปเนี่ยเอ้อไม่ใช่วัดวัดวัดวัดวัดโพวัดโพครับวัดโพสิ้นไปท่านก็เป็นผู้รักษาการครับการสมเด็จพระสังฆราช ครับผมขอบคุณครับติดต่อจาสายที่สิบเอ็ดมารออยู่ครับโทษครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมการน้ำธนาคารสนับสนลนะครับครับผมเพื่อจะสอบถามเกี่ยวกับคาว่าบุคลาที่กาเนี่ครับศั์คำนี้อยู่ในพัฒนากาหรือเปล่าครับในข้อมูองเราหรือเปล่าว่าโปรแกรมบางสำนักเขาอธิบายชาวบุคคลาี่การเป็นหมดเลยครับแล้ว ตรงนี้ก็ไม่ได้ติดกาวเขาก็อธิบาว่าเป็นผู้ชงเกตอย่างนี้ไม่ในเรื่องอะไรหรอกํำต่างๆเขาจะอธิบายเรื่องสวรรค์ในอกในใจอย่างนี้สำนักที่ว่านี่ก็อยู่ในกลุ่มหรอกได้ครับแล้วฝั่งนครับครับบุคลาทิฐิฐานครับก็บุคลาทิฐฐานมันก็มีมานะคู่กับธรรมมาทิฐฐาน คือคื อ, ค อ, คอมหมายความว่าเป็นการอธิบายธรรมะที่ตัวคนการพูดการทำการคิดของคนนะเช่นเรื่องพระเวสสันดรเนี่ยเป็นเรื่องปุกลาทิฏฐาน คือหมายความว่าเล่าตัวธรรมะมันอยู่ที่ตัวคนครับอยู่ที่การกระทําการพูดการคิดของคนแต่ว่าธรรมาธิฐานนียอธิบายธรรมะล้วนเช่นสติมีลักษณะเป็นยังไงมีกิจเป็นยังไงนะมีรสเป็นยังไงมีอะไรเป็นตัวกระตุน้นให้เกิดขึ้นอะไรนี่เขาเรียกธรรมาธิฐานไอ้ส่วนคลองกลุ่มเนี่ปล่อยเขาไปเถอะอย่าไปยุ่งก็เลยนะเขาก็ว่างเขาอย่างนั้นแหละเขาเขาเก่งนี่เขาก็ติวเขาเขาบรรลุแล้วเก็เเปล่อยเข้าไป โรคก็เป็นไปตามตามอยู่ยุ่งเสียเวลาหรืพอป่ะครับผมก็คนเยอะเลยครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้านะครับขอญาติประจามพันธ์ที่หนึ่งนะครับแฟน ร, ราการที่เขียนจดหมายนังขอหนังสือทำรรมาข้ามคันนี้ทยอยส่งไปเยอะมากเลยนะครับก็วันนี้ที่คุรอาจารย์ก็หนังสือมาแจกก็คือหนังสือ นะครับการลัมิสูตรนะครับสำหรับแฟนรายการที่ยังไม่ได้รับเนี่ยขออนุญาตแฟนรายการที่ยังไม่ได้รับเลยนะครับก็จดหมายมาได้ที่รายการเสียงคำจากมหาวิทยาลัยสิบประทุมนะครับรหกสิเผนโยธินจะจดจักกรุงเทพหนึ่งศูนย์เก้านย์นะครับท่านพระเดชบุณรพระเทิบิลกได้แจกหนังสือ นะครับการมาสูตรสําหรฝ่ายรายการสิ่งธรรมจากมหาวิทยาลัยสิปทุมนะครับ mm. ก็เชิญได้เลยนะครับหรือจะเอ่อบางคนไม่สะดวกในการเขียญจดหมายนะครับ mm. จะโทรศัพท์มาได้ก็ศูนย์สองห้าเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็ต่อสองสองหนึ่งเจ็ดนะครับต่อสองสองหนึ่งเจ็ดบอกว่าจะขอหนังสือธรรมะบอกชื่ที่อยู่ไว้นะครับ ท่านพลเอกเสรีผู้กมานท่านเจ้าของรายการและท่านดรชิลิพรผุกยาพร์ผุกม า, านท่านอธิการบรดีมหาวิทยาลัยสิริภูมจะจะส่งเป็นธรรมบรรดาการแด่แฟนรายการทุกท่านเลยนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ธรม ร, ร, รมะสู่พุทธศาสนิทชนทุกท่านเลยนะครับสายที่สิบสองครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอรบกวนข้าวเย็นกุนกี้ครับเกี่ยวบเรื่องวิทยุนะฮะครับผมคือคือผมไปในงานนะฮะแล้วครูโสกเขาโค้ดาโค้ดาว่า ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยจะมาเปิดวิทยุชุมชนนะฮะของวัดเนี่ยซึ่งเป็นภาษาไทยอยู่แล้วจะเป็นภาษาอังกฤษ ทีนี้ท่านบอกให้ฉันเข้าเสร็จก่อนฉันเป็นเสร็จแลท่านจะมาเปิด<ร>เป็นการเปิดวิทยุแน่นอนครับอินเทอร์เน็ ต, ตผมไม่ทราบที่ท่านจะคุณบอกเมื่อกี้เนี่ยฮะ<อ>ผมก็ <ผม S 2> เป็นความรู้ไม่ติ ด, ดใจครับครับผ ม, ผมชอบครับเพราะอะไรก็จะได้เผยแพร่นะฮะข้อมูลที่ผมมาสอบถาียามท่านเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะฮะไม่ใช่ว่าอินเตอร์เน็ตครับครับขอบคุณมากเลยนะครับแต่ในขณนกระจายเสียนั่นแหละเป็นค่าวทางอินเทอร์เน็ต สถานีวิทยุเวรีก็ออกไปร้อยห้าสิบกว่าประเทศนะใช่ครับแต่เลาายทอดนี่ก็คือถ่ายทอดทางด้านเสียงด้วยเสียงด้ิจเทัลเสีด้วยนะครับเดี๋ยวนี้มันมีตั้งกรมประชาธมปันการนะฮะไปทั่วโลกแม้แต่พู้ถมนทนเองก็ไปทั่วโลกเลยใช่ครับวันนี้ที่เราประชุมเนี่ยฮะถ่ายทอดไปทั่วโลกอครัถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่ามันเสียงออกด้วย เขาพร้อมๆกันนั่นแหละครับหมายความอเมริกาก็ได้ฟังพ้องกับเราโยมลองฟังรายการธรรมาร่วมสมัยเนี่จะเห็นว่าอเมริกาก็ฟังอยู่อ่ะก็โทรศัพท์มาถามปัญหาอะไรแต่ไรเนี่เยเวลานี้คุณกล้าหน้าไปเยอะแล้วครั บ, <laughs> บออ่โยมโยมไปติดใจที่เสียงออ ก, ออกออกมาอย่างนั้นก็ใช่คือเขาออกที่เมืองไทยด้วยแล้วก็ถ่ายทอดทางอินเทอร์เนต็ตไปต่างประเทศด้วยครับ แล้วก็โยมที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะฟังทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ฟังทางวิดีโอก็ได้ครับขอบคุณจุครับสายที่สิบสองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอตามต่อก่อนนะครับครับผมสวดีครับมีปตะนาการจำมัานี้ใครทุนมากมือกันนะครับขอบคุณมากครับ คื อ, อบุญมากบุญน้อยเนี่ยเขาไม่ได้ไปจำกัดอย่างนั้นนะฮะบุญเนี่ยคือการับระล้างกิเลสเป็นส่วนเหตุแล้วก็มีความสุขความสงบความเยือกเย็นเป็นผลเราอาจจะเจริญวิปัสสนาแต่ว่ามันไม่เห็นจริงน ะ, นะกิเลสเยอะมันก็ได้ ในขณะที่เขาเจริญกรรมาฐานก็สงบเจนิวอนเนี่ยเขาก็อาจจะดีกว่าเพราะงั้นถ้าหากว่าผลเท่ากันเนี่ยวิปัสสนามันก็สูงกว่าเพราะวิปัสสนามันไปทําลายตัวโมหะเป็นหลักครับนะพวกนี้ก็ไปแค่ฌานนะฮะไปไปไปแค่แค่ฌานต่นั่นเองแต่ว่าถ้าวิปัสสนาเราก็นําไปสู่มรรคผลแต่ว่าก็ไปด้วยกันนะนะสีนสมาธิปัญญาเขาก็ ไปด้วยกันครับคือคือเราเอารูปแบบไม่ได้ต้องดูที่สภาพจิตครับดูที่สภาพจิตว่ากิเลสมันลดมากไหมรู้ได้ยังไงกิเลสลดอะธรรมะมันเพิ่มมากไหมแล้วก็ความสุขความสงบความเยือกเย็นเนี่ปรากฏมากไหมทิ้งความหมายความมาความเร่าร้อนมันก็ต้องลดด้วยเดี๋ยวนะอันนี้ก็ก็ดูอย่างเงี้ยคือคือถ้าเอารูปแบบมาเป็นเกณฑเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันผลของธรรมะเนี่ยมันคล้ายๆกับ รับประทานอาหารนะใครอร่อยคนนั้นคนนั้นก็รู้อ่ะ ค, คนอื่นไม่รู้แทนก็นไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่คนหนึ่งเขานั่งสมาธิคนหนึ่งเขาเจริญวิปสัสนาเนี่ยได้ปรากฏว่าคนสมาธิเขาเข้ า, ขาบรรลุถึงถึ ง, ถ, งถึงรูปฌานแต่พวกวิปสัสนาอย่างอย่างโปรงไม่ตกอยู่เลยยังมีอัตตายังมีมานะยังมีตัณหาอยู่ก็แสดงว่าสมาธิก็ดีกว่าในขณะนั้นะคือการเทียบเนี่ยหมายความเทียบสมบูรณ์แล้วก็ใช้วิปัสสนาก็สูงกว่าครับ ครับขอบคุณครับอยากที่มหาวิทยาลัยศรีวิทุมครับท่านผู้จัดครับท่านพระเด็กเสรีพุทมาร น, นะครับท่านสอนในรายวิชาพุทธศาสนาในชีพประจาวันท่านก็จะมักจะให้นักเรียนนักศึกษานะครับได้นั่งสมาธิด้วยฝึกไปด้วยในการนั่งสมาธิของนักศึกษาเักศึกษาหลายคนก็มีความรู้สึกว่าชอบแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถเรียนหนังสือได้เก่งขึ้นได้ดีขึ้ น, <อ>นตรงนี้ท่คนผู้จัดครับมันเป็นส่วนที่ส่งเสริมกันมากเลยใช่ไหมครับการทําสมาธิการเรียนกันโอก็ก็ก็ ตรงเสริมมากฮะเพราะว่ามันมันมันสมาธิเนี่ยก็คือการฝึกสติการฝึกสัมจัญญะการฝึกความเพียรครับทีนี้เมื่อเราสติดีเนี่ยเราระลึกได้เร็วเราจําได้มากครับการระลึกได้เร็วมันแสดงว่าจําได้มากครับถ้าจําไม่ได้มากระลึกได้น้อยเยอะไหมฮะครับทีนี้อาการจะเกิดผลอย่างเนี้ยมันต้องใช้ความเพียรมากครับเมื่อความเพียรมากก็ทําให้เราระลึกได้มากระลึกเนี่ยที่จริงเราลึกสิ่งที่เป็นสัญญาคือความจําอืำ ใช่ไหมใช่ครับทีนี้สัญญาพอถึงจุดหนึ่งมันมันก็แตกฉานขึ้นมันก็กลายเป็นปัญญาครับตกลงว่าสติสัญญาความเพียรก็ทํางานประสานกันะทําให้ใจมีความเชื่อมั่นและทําให้ใจมีความสงบก็คือกลายเป็นสมาธิกลายเป็นอินทรีย์อ่าเพราะงั้นถ้าเรียนหนังสืออย่างมีสมาธิพอเวียงไปใช้สมาธิมันมันมันก็ไปทางสมาธิประเวียงไปทํางานมันก็มีประสิทธิภาพในการทํำงานครับเพราะสมาธิมันใช้ได้ทุกเรื่องนะแม้แต่พวก นักลบอะไรแต่ได้ย่างอย่า ง, างนายพลโมเช่ลายันเล <c oughs> ยนะ <c oughs> เขาฝึกสมาธิเก่งครับหกหกวันหกคืนเนี่ยเขาไม่เคยนอนเลยครับพอเข้าสมาธิปั๊บหลับเลยครับเนี่ยมหาตรรมคันธีนโปเลียนโปนาปาตเนี่ย เดีนี้มีก็มีนักกีฬาหลายคนเยอะสุกสมาธิที่เมืองไทยกันครับผมแล้วแล้วมันมันมันดีหมดอ่ะเรื่องอื่นก็ดีคขับรถครับรถก็ไม่เกิดอุบัติเหตุครับไปมันมันมันเป็นเป็นวิถีชีวิตอ่ะครับผมขออนุญาตขอคําำําสุดท้ายครับจะถังบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเรียนถามปัญหานะครับครับผมทำไมรายการวิทยุขวันอาทิตย์ของ หลังจาก8โมงนั้นนะครับของอาขานในชิวเซไทยนะครับครับผมทำไมเชิญที่มนต์แต่หลวงพ่อปัญญามาแสดงนะครับท่ <c oughs> ท่านก็แข่มาแล้วเสียงท่านก็โอ๊ย ทำไมไม่ให้โอกาสพระอองค์อื่นที่เป็นักเทศเทศอย่างท่านทุกคนเนี่ยผมไมอยากจะยินจังเลยครับผมก็ไม่ทราบว่าทําไมท่าเขาเขาไม่มีคนพระเทศอย่างท่านอื่นมามามามาแสดงมาครับครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับครับครับก็พูดยากนะโยมนะคือคือเราจะเห็นว่าคนเรานี่มันมีแฟนคลับครัหมายความมันมีหน้าม้าที่เรียกร้องอยู่เรื่อยครับนะ แล้วก็ตกลงว่าตกลงว่าเป็นนิมนต์ประจําครับแสดงว่ามีคนอยู่ข้างในมีพระพวธอยู่อยู่ข้างในคือคือคือสังคมไทยมันก็สังคมเล่นพักเป็นพวกอย่างเนี้นะคือคือที่จริงกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยคุณกระจายพระอย่างที่โยมบ้านครับคือไม่ควรจะผูกขาดที่สีห้ารูปครับมาสังเกตมาสิบปีก็ก็สีห้ารูปอยู่เนี้ยก็พูดวนๆกันอยู่ครับก็ก็ปล่อยเข้าไปนะฮะเพราะว่า เป็นสังคมพุทธอ่ะเป็นสังคมอุปถัมภ์ไม่ใช่ไม่ใช่สังคมพุทธคือสังคมไทยคร<ช>ับเป็นสังคมอาศัยความผูกพันกันเป็นการส่วนตัวแต่ว่าใช้สมบัติของชาติเนี่ย ม, มาเป็นเครื่องมือในการสนับ<ช>สนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันมันก็ธรรมดานะคร<ช>ับธรรมดาก็เป็นรัฐบาลพวกพวกนกั้นก็พวกคนเหล่านั้นก็ได้ตำแหน่งในาการเมืองธรรมดานะธร<ช>รมดาโลกอย่าไปเอาเรื่องเลย ก็ปล่อยรลุงพ่อดันเทศไปในวันศุกร์ที่สิบสองมกราคมส5งพนห้าสิบนี่นะครับครบรอบส7มสิบ็ดปีมหาวิทยาลัยสิบปทุมกรสถาปนาภาษาปนามหาวิลัยครับขอกรับขอรัตนาปฏิพุทคุณนะครับอํำนวยพรให้กับท่านดรรชนีพรพุทธยาพรพุกมาและท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยสิบปทุมรวมทั้งมหาวิทยาลัยสิบปทุมนยนะครับในการครบรอบสมิเจ็ดปีครับที่ผูจงครับก็อย่างยืนก่อืนก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีที่ มหาวิทยาลัยศรีปรทุมมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประสิทธิผลประสิทธิภาพประสิทธิผลของการจากการศึกษาแล้วก็สร้างคนดีเป็นสีสังคมไม่ได้เยอะแต่นั้นก็ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัตรตรยและสิ่งที่ท่านสายชนทั้งหลายให้การเคารพสักการะได้โปดรดดลบดานพิบายนักษาให้คณาจารย์นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปรทุม ตลอดถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องและท่านสาวชนทั้งหลายประสบความสุขความเจริญสมบูรณ์ด้วยเจตุรพิทพรทั้งสี่ประการนะตามที่มุ่งมา่นปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านสาธุครับผมว<อ>ันนี้ได้าการเสยงท้ามจากมหาวิทยาลัยิตุงอกอกขับราท่านพุทธฟังทุกท่านก่อนนะครับขอบกลับสวสดีครับ